เทศนาแผนที่แดบอนดับที่25โดยหลวงพ่ออินขวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีแสดงธรรมในวันที่29กรกฎาคมง2558มีชื่อเรื่องว่าหลังขาล้ว เมื่อว่านะให้กูบากูบาบวชใหม่ทำความสะอาดห่องมก็ใส่เครื่องดูดดูดฝุ่นดูดไปดูดมากเลยยันเครื่องรุ่นลูกเพียบรสะอาดกระดูดกระทั่งเครื่องทรงเสียมันเลดูดดูดขนาด ดูดเครื่องซอมนอเครื่องซองมก็หลายปุ่มได้หมหลายาปุ่มมดเไม่แม่ปุ่มไต่ปุ่มเพรดูดเข้าไปมันหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังนะปุ่มมันไปไม่ยาหมือเศ้าลูกพี่มา ก, ก็เปิดมิดจีดีนตูบน้บัจังสิปุ่นห ม, มุนปุ่มไหนได้บัตรนีนี่แหละถูกหลานให้ฟังเอาไว้นะเออเพิ่นานะคนโบรานเขาบอกว่านะเนออี่ไว้ใจลูกเมียตาบอดหนึ่งข้าง ไว้ใจลูกย่างตาบอดสองข้างแสดง ว, ว่า ấy, ค้นบัวร่านเขาค่อยเจอมาแล้วโนไปเขาจึงตั้งเป็นคําพังเพือยขึ้นมาว่าค้นบัวร่านเขาค่อยเจอมาแล้วเขาจึงตั้งว่าไหว้ใจลูกเมียตาบอดหนึ่งข้างว่าไว้ใจลูกย่างตาบอดสองข้างอันนี้เลยคู่บาปคนก็รู้ค น, น, น, นไว้ใจรุ่นนองโนไปทําความสะอาดเนอะ ว่ารุ่นนอกก็ทําความสะอาดไปสะอาดมากก็ยากเ่าสะอาดคักกันออกไปย่านลูกพี่ว่าให้ก็เดดูดไปเรื่อยนะวันไะหเครื่องเครื่องดูดวัวไปดูดไปไปปุ่มไอ้เครื่องทรงใช่แล้วบานเะนี้ยเครื่อ ง, งทรงเครื่องเสียงใช่แล้ววันะี้นว่าดูดกันไปมันกับปุ่มมันจะเป็นเศร้าสามสิบปุ่มบนยานนะจะมันปุ่มไหนต่อปุ่มไหน เมืกก่อกลุ้นซ้ายมุนขวามุนหนา้ามุนหลังคาดูแท่งไหม <c oughs> บาหาลูกพี่ ม, ม, ามาเน่ยเหมือเศร้ามาไน้สิ ม, มุนปุ่มหนได้บ่เนี่ตัวสิปับใดเลยฮะกม็มาปับใดเมื่อกี้นี่ลเลยนี่ <c oughs> เอาลูกหลานมีอะไรก็ว่ากันนะแต่เนี่เอาบายพระรับสินบอกมายางพันเตอรัตนาสินก็ได้เอามายางพันเตวีซุ่งวีซุ่งราคะนาทายะ ต่างใจจะมาทานศินะลูกลานนะถึงจะเป็นสินนิดหน่อยสินช่วงการเวลาสินชั่วขณะหนึ่งก็เป็นสินเหมือนกับน้ำาน่ถึงจะหยดหนึ่งก็เป็นน้ำที่สะอาดถึงจะเป็นน้ํามากเต็มไปด้วยเต็มไปทั้งบอ่อทั้งบึงก็คือน้ำสกรปรกนะแต่น้ำ หยดหนึ่งน้ำฝนหยดหนึ่งก็เป็นน้ำที่สะอาดนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถึงจะมีเวลาเราไม่รักไม่ได้รักษาศีลมาแต่ว่าเรารักษาศีลเพียงชั่วคู่ชั่วขณนะช่วการเวลาอ่าก็ยังเป็นศีลคือให้บูชาบูชาเชิดชูเรื่องของศีลศีลห้าศีลห้าเป็นศีลคุ้มคลองโลกเป็นศีลมาแต่ดึกตําบัน ถ้าผู้ที่มีสินห้าแล้วไม่ติดคุกไม่ติดตารางเป็นคนดีไม่เข้าคุกถ้าคนมีสินห้านะถ้าคนไม่มีสินห้านะั่นนะโอกาสที่จะติดคุกติดตารางนี่มากเพราะในพรรษาเนี่ถ้าเป็นไปได้นะเด็กนักเรียนตั้งพร้อมกับครูบาอาจารย์ทุกคนทางดได้ก็ดีบุหรีเล่านะนะนะการพนัน บูรีเล่าการพนันควรจะงดได้ดีที่สุดนะเพราะหลายพวกเราอยู่ในสถานการศึกษาควรจะเป็นบ่บอหลอ่อล้อมคนดีหล่อคนดีหลอมคนดีเสกเป่าคนดีให้เป็นคนดีเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ควรจะมีศีลห้าไว้ถ้าไม่มีศีลห้าก่เนี่ยเรื่องสุ ร, ราควรจะ ตั้งจิตอธิษฐานงดเรื่องเหล้าเรื่องบุรีเมื่อวานมันก่อนเขาก็ถามหลวงพ่อเอองดบุรีลายไหมได้ไห ม, ไไหมนมที่เป็นลูกศิษย์หลวงพออ่อผมงดตลอดคงไม่ได้ครับแต่งดสาเดือนผมจะพยายามงดให้ได้แต่ต่อไปผมจะรับปากหลวงพ่อไม่ได้ทําะทำไม เ, เพราะผมเข้าอยู่กับหมู่กับเพื่อน กลัวจะเสียหมู่เสียเพื่อนกลัวจะไม่มีโมนใครเป็นคนพูดคนโมรานคนโง่โ ง, ง่พูดอย่างนั้นใช่ไหมคนที่กินเหล้าพูดอย่างนั้นใช่ไหมเราก็เลยเชื่อตามคนที่เขากินเหล้าอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไม่เชื่อตามเขาเน่ยหลวงพ่อพูดให้ฟังวันเกิดของหลวงพ่อเอ็นเนี่ยอกับวันเกิดของคนที่กินเหล้าเนี่อที่หลวงพ่ออินไม่กินเหล้าน่ะ กับคนที่กินเหล้ามานับใส่การดูซิเอาใครมาแข่งเอาใครมาแข่งกับหลวงพอ่อหลวงพ่อเองไม่กินเหล้ากับคนนั้นแหละกินเหล้าเราจะจะเป็นคนอย่างนั้นเลอย่างนั้นใช่ไหมเราจะจะเป็นคนกินเหล้าเพื่อจะได้มูอย่างนั้นใช่ไห ม, น ค, นไห ม, ไหมคำพูดนี่ควรจะเปลี่ยนคำพูดหมา ย, ยได้แล้วถ้าใครกินเหล้าเป็นคนชั่วเป็นคนเลว เป็นคนที่ไม่รับผิดชอบอถ้าเป็นหลังคาบ้านกับหลังคาบ้านรั่วเป็นศาลาหลังไนี่ศาลาหลังไม่มีหลังคาทํำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะคนขาดสติถ้าคนไม่มีสตินั่คือคนบ้าถ้าเป็นคนบ้าแล้วมันรับไม่รับผิดชอบอะไรทั้งหมดเพราะมันบ้าเข้าใจไหม <c oughs> นี่แหละฝังไว้นะลูกหลานนะเอาต่อไปหลวงพ่อจะให้ศินที่นี่นะ <c oughs> นะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติิงยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทา ย, ยเอากราบสามครั้ง ถ้าไม่จริงคุณครูผู้พานําเด็กนักเรียนเยใครจะไปวัดหลวงตาอินเอามากี่คนรายชื่อมาเอาพูดสมาทานศีลทีละคนเว้ว่าอย่างไง <c oughs> <c oughs> เอมันต้องเป็นอย่างนั้นขนาดหลวงพ่อจะไปสวดมนต์ในที่สําคัญสาคัญนะหลวงพ่อยังเรียกพระมัดองค์ไหนที่จะไปเรียกมาซ้อมสวดมนต์ให้ฟังหลวงพ่อจะเป็นคนนั่งฟัง ท่านวงไหนติดเอาออกนั้นสวดองค์เดียวเพื่อซ้อมให้มันเข้าใจเนี่ยหลวงพ่อสอนพระสเนรสอนอย่างงั้นนะอวกยังไม่ใส่หู่มมหมอบูุมมบมูมุมหบูมมมบมูมุมหมอบไม่ได้เลนอมันต้องให้ชัดเจนเราอยู่ในชุมชนสังคมอถ้าหากว่าไม่พูดไม่ได้เป็นไงอย่างพระนี่ ที่เป็นหัวหน้านั่งให้คนเนเขามองดูทุกระดับเขามองดูลูกศิษย์หลวงพ่ออินสูดสวดมวนสวดไปแตะกันไปมาเลงเตือนนางคนหนึงเสียงเล็กคนหนึ่งเสียงใหญ่คนนึงพูดถูกคนนึงพูดผิดมันดูลําเป็นยังไงมันได้ไหมอย่างนั้นไม่ได้ฮะมันต้องพูดให้เป็นเสียงเดียวกันขึ้นลงจังหวะเดียวกันนั่นแหละหลวงพ่อก่อนที่จะเอาเข้าไปชุมชนสังคมใหญ่ๆต้องเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าเอาไปอย่างนั้นมันขายขีหนา้าขายขีหน้าใครล่ะขายขีหน้าหลวงพ่อใช่ไหมล่ะขายขีหน้าหัวหน้าใช่ไหมขายขีหน้าสมภารจะได้ว่าสมภารไม่ได้เรื่องเ อ, อไม่ได้ฝึกลูกน้องเลยเห็นไหมน่ะสวดมนต์ก็เตะซ้ายเตะขวาึงคนถึงเสียงสูงคนถึงเสียงต่ําเออผ ล, ผลผลยังผิดผิดถูกๆอีกต่างหากนี่แหละมันบอกยี่ห้อตัวเองใช่ไหมบอกยี่ห้อวัดป่านาคําน้อยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะลูกหลานนะ อ, อถ้าเอาลูกหลานเนี สวดมนต์รับศีลก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนะบอกยี่ห้อโรงเรียนชุมพลใช่ไหมละ่ะบอกยี่หออค ร, ค ร, ครูอีกต่างหากใช่ไหมเออนี่แหละให้ลกูกหลานเอาฟังฟังเอาไว้นะไปอยู่ใ น, ส ถ, น, นสถานที่ไปในสถานที่ใดเนหลวงขนาดหลวงพ่อเป็นพระปา่พาพระดงเนี่ยเวลาจะเข้าไปสวดมนต์ในที่สาธาระที่ใหญ่ๆที่เราโ h ฐานะหลวงพ่อจะต้องฉุดต้องฝึกต้องจับมาฝึกซะก่อน อ, อมาฝึกแล้วองคไหนมันพูดไม่เสียงไม่ดีไม่เข้าหมู่เอาออกองนั้นเอาอง อ, อื่นเข้ามาเ อ, อเลือกได้พราในวัดของเรานะเ อ, อตัวเองสวดไม่ได้จะไปทําไ ม, มเสียงไม่ดีมันเสียงไม่เข้าโมนะ่อันนี้เราต้องการความพร้อมเพียงเสียงสมักเสียงสมักขนะีเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะฟังฟังเอาไว้นะเอาตอนนี้ไปมีอะไรถาไวายอะไรก็ะต่ายเข้ามามาโหล ออปัจจัยของนักเรียนกับครูพร้อมครูบาอาจารย์นักเรียนนะย อ, อ, อดที่ถวายหลวงพ่อวันนี้ทั้งหมด 3,375 บาท 78, <75. S 1> 78 7 8สิบเบาบนะทหลวงพ่อมอบให้กับโรงเรียนนะเอาไปใช้ในโรงเรียนของลูกหลานเพราะว่าโรงเรียนของเราก็บางทีก็ออแป๊บ ไปนะกกน้ำลวรั่วบ้างสายยู่โรงเรียนขาดบ้างกุญแจไม่มีบ้างอะไรลักษณะอย่างนั้น่ะให้โรงเรียนเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะให้หมอห้กรูบาลยานเอาไปใช้ในโรงเรียนของเราสิ่งไหนที่มันขาดเหลือขาดตกาบางที่หลังคากระเบื้องสองสามแผ่นมันแตกก็ไปเปลี่ยนเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้นะห้องน้งห้องน้ํานนะ ให้เกิดประโยชน์จำเป็นได้ใช้และรงเรียนปัจจัยเงินพอวัตถุบางอย่างมันก็ต้องได้ซื้อถึงจะเป็นเงินหลวงก็จริงอยู่แต่มันคอยเงินหลวงก็คอยอยากอันนี้มันได้มาแล้วก็ให้โรงเรียนลงพห ล, ลงตามอบให้โรงเรียนเอาไปใช้เกิดประโยชน์นะตอนนี้ไปหลงตาจะให้พอนะ้ำบันเนอร์รับพรลูกเรียนลูกหลาน